สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการจิตวิทยากับครูยุ้ยค่ะรายการจิตวิทยาดีๆจะช่วยคุณผู้ฟังคิดบวกนะคะเราเจอกับคุณผู้ฟังในทุทกๆวันศุกร์ค่ะสี่นาฬิกาสานาทีถึง5้านาฬิกานะคะแต่ละสัปดาห์เราก็จะมีเรื่องราวในเรื่องของจิตวิทยาแบบ ง, ง่ายๆสามารถปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้นะคะแล้ก็อยากให้คุณผู้ฟัง คิดบวกนะคะชีวิตจะได้มีความสุขมากขึ้นนะคะดำเนินรายการค่ะเราทั้งสองคนเลยดิฉันทีเราดียิ่งมีค่ะแล้วก็ลุงยุ้ยค่ะผู้ช่วยศาสตราจานนรย์ัทพงษ์ชูไทยอาจารย์ประจำภาคจิตวิทยาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรีค่ะสวัสดีค่ะลุงยุย้ยสวัสดีครับน้องตีคัสสวัสดีท่านทูกังทุกท่านด้ยครับผมค่ะ ก็ผ่านเดือนที่เจ็ดกำลังอยู่ในช่วงของเดือนที่เจ็ดนะคะหมาดๆเลยค่ะ <มา S 1> ลุงหมาดเดือนที่เจ็ดละหลายอย่างก็สัปดาห์ที่แล้วเราก็พูดคุยไปแล้วนะคะว่าเราจะทํายังไงให้ชีวิตครึ่งปีหลังของเรามันดีกว่าเดิมดใช่ไหมคะมวันนี้สิ่งที่เราจะพูดคุยให้คุณผู้ฟังฟังนะคะก็เป็นเรื่องของการใช้ชีวิตอีกเหมือนกันค่ะลุงใกล้ตัวเขาอีกละใช่เป็นเรื่องของ การใช้ชีวิตแต่ว่าใช้แบบยังไงให้มันช้าลงที่เขาเรียกว่าสโลไลฟ์ใช่ค่ะก็ใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์เนี่ยคนเมืองเดี๋ยวนี้เขาก็นิยมนะคะลุงนิยมมานิยมมาใช้ชีวิตแบบนี้มากขึ้นไม่เร่งรีบโดยเฉพาะสังคมในเมืองที่มันค่อนข้างวุ่นวายบางคนก็รถติดฝนตกอาหารเช้าไม่ได้ทานั่งบนรถไฟฟ้าก็ต้องหิวอะไรไป เพื่อที่จะเตรียมนัคะบาต้องหาอะไรกี่เน้นนั่นเลยอืมคราวนี้เราใช้ชีวิตอย่างไรให้มันสโลว์ไลท์นะคะวันนี้เราก็มาพูดคุยกับคุณผู้ฟังฟังกันนะคะบางคนได้ยินคำนี้บ่อยมากแต่ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรนะคะแล้วก็เราจะใช้ชีวิตยังไงมันมีข้อดีแบบไหนเดี๋ยววันนี้ลุงคะสโลว์ไลท์เนี่ยคืออะไรคะสโลว์ไลท์เนี่ยนะครับมันเป็นการใช้ชีวิตแบบ ค่อยเป็นค่อยไปเนะาะแต่มีสาระนะแต่มีสาระนะไม่ใช่ไม่ใช่เลื่อยเปื่อยนะค่อยเป็นค่อยไปทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันช้าลงขณะเดียวกันที่ทำงัญที่สุดคือต้องมีสติมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นสโลไลฟ์สําหรับความรู้สึกมันจะเป็นอย่างนี้นะครับค่ะที่มันเป็นงี้เพราะว่าเพราะว่ า, า, าสังคมอย่างที่เมื่อกีน้น้องทีบอกอ่ะสังคมในเมืองหรือสังแม้กระทั่ตงต่างจังหวัดเดี๋ยนี้คก็ นั่นหละคือมีแต่ความเร่งรีบไอ้นู่นไอ้นี่ต้องรีบรีบรีบรีบมันก็เลยทำให้เกิดความรู้สึกที่อึดอัดเหมือนกันนะในบางครั้งต้องกลับมาใช้สโ ล, โลไลด์ดูสโ ล, โลไลด์เนี่ยมันเป็นหนึ่งในการใช้ชีวิตแบบยั่งยืนนะคะบางทีก็ อาจจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่ใช่ถุงพลาสติกออกินชาลงไปเซเว่นเดี๋ยวนี้ที่ภูมิใจมากลุงที่ภูมิใจมากเลยเมื่อเช้าเมื่อเช้านี่เลยค่ะคุณผู้ฟังเขาเซเว่นมาอาหารเช้าลุงเขาถามว่าไปถึงตัวทีบอกเลยว่าไม่รับถุงไม่เอาหลอดรู้สึกภูมิใจมากที่จะพูดออกไปโอ้เราใช้กระดกเอาค่ะลุงจะเป็นขวดเป็นแก้วเป็นอะไรก็กระดกเอาไม่ใช้หลอด ใช่นี่ก็เหมือนการเวลาเขาเดี๋ยวนี้เข้าไปในห้างสัปปะินค้าหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วเราไม่ต้องเราพอถือได้อะค่ะก็อุ้มเหอนวาไม่ต้องใส่ถุงครับค่ะมันเขาจะยิ้มเขาจะเหมือนกับขอบคุณค่าขอบคุณครับเลยมันจะรู้สึกว่ามันอิ่มใจกับเรื่องง่ายๆเหมือนกันนะคะบางทีอันนี้มันก็ชลอไล่างินนะคะแล้วก็เป็นมีกระสิ่งพลาสติกนะคะไม่ต้องไปใช้ถุงพลาสติกนะคะแล้วก็บางทีเนี่ยเราอาจจะ รักษาสุขภาพตัวเองอ่ะให้อยู่ในที่ที่อากาศดีๆอากาศบริสุทธิ์อากาศที่บริสุทนธะิ์เนาะก็สโลว์ไลท์หมกันนะคะมองโลกในแง่ดีลุงสโลว์ไลท์ไหมคะมองโลกในแง่ดีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีมากเลยเพราะว่าถ้าสมมติว่าเรามองโลกในแง่ดีเนี่ยจิตใจรเราจะเบิกบานแล้ะเราจะไม่รู้สึกว่ามันกดดันและเป็นปัญหามากมายแนละ้ว มองโ่มในแง่ดีเจอ h a r คือ ด, ดีนเจอนะครับอันนั้นก็เป็น s l o life ได้อีกอย่างมันก็มีความสุขกับทุกวันนะคะถ้าเรามองลมในแง่ดีค่ะแล้วเพราะอ<ห>ะไรนะคะคนปัจจุบันเนี่ยเขาถึงหันมาใช้ชีวิตแบบสโสด w l i f กันมากขึ้นนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกครับคือเราเร า, เราแข่งขันกันเยอะเกินไปล่วนะครับเราลองดูเราเปิดเปิดทีวีดูแต่ละช่องเนะเราจะเห็นเลยว่า แม้กระทั่งข่าวเนี่ย <c oughs> ทุกช่องจะพยายามพยายามจะเล่นข่าวเดียวกันนี่แหละแต่ว่าของฉันจะต้องเจาะลึกไปกว่าช่องอื่นนะ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งหรือว่าข่าวด่วนข่าวเร็วโทรตับ์เข้ามาในสายเลยมันรู้สึกกระชึกกระชักจ น, นเกินไปนะครับ <c oughs> ถ้าเราดึงชีวิตเราให้ซอฟตลงมานิดนึงช้าลงมาหน่อยนึงแล้วทาให้เราอาจจะเห็น แนวคิดต่างๆหรือวิธีการคิดหรือว่าส ต, ติมากขึ้นเราอาจจะได้อะไรมากกว่า น, นี้อืมบางที thinking, มันเริ่มต้นง่ายๆนะคะคุณผู้ฟังก็เวลาทานอาหารก็เคี้ยวแบบช้าลงม <laughs> ไ ม, ม <i> routine, ร่รีบกินรีบเคี้ยวรีบกลืนไม่ดีกับสุขภาพด้วยระบบย่อยอาหารนะคะลองกินช้าๆลงแล้วก็ดื่มดากับสมมติว่าเป็นกาแฟอย่างเงี้ยนะคะลุงอาจจะรีบๆกินก็อาจจะหอมก็ได้ดมมันมีกลิ่น จช่วยได้ไหมคะพยายามนึกถึงอะไรที่ม <Jub ilee> yeah? ันแบบใกล้ตัวแล้วมันสามารถทําคือที่ก็เป็นคนที่ใช้ชีวิตค่อนข้างเร็วเหมือนกันค่ะเคยมีคนเตือนว่าอยากให้ทําอะไรช้าลงก็พยายามจะปรับอยู่ตัวเองอยู่เหมือนกันนะคะว่าบางทีอาจจะตื่นสายอย่างเงี้ยค่ะลุงก็ต้องรีบอาบน้ำรีนแต่งตัวรีบขับรถไปทํางานที่กาจะต้องตื่นเช้าขึ้นให้มีเวลาให้มีเวลาทําอะไรได้ช้าลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่แล้วยกตัวอย่างอันเนี้ดีมากเลยน้องตีคือเราเคยตื่นตื่นช้าเนะตื่นสายเนี่ยแต่ถ้าเผิดว่าเราเร็วขึ้นสักยี่สิบนาทีเนี่ยบางทีเราสามารถสามารถมองสิ่งต่างๆเช่นเราสตีปลูกต้นไม้ใบหญ้าไว้ที่บ้านเงี้ยค่ะได้ดูมันบ้างหรือเปล่าอืออกไปช่างงงจช่ไหมถึงลดน้าต้นไม้ลงถ้าเป็นสังคมในเมืองเนาะลดน้าต้นไม้ก็ได้นิดๆหน่อยๆตรงระเบียงใครับ นั่นแหละหล้วอย่างน้อยที่เราก็มีเวลามากขึ้นอีกนิดนึงเพื่อที่จะไปชมสิ่งต่างๆทีราปลูกเอาไว้เนี่ยล้วถ้าตื่นเช้าขึ้นตื่นเช้าขึ้นนี่ทําอาหารกินเองได้นะคะง่ายๆแทนที่จะไปซื้อในซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรก็แล้วตานะคะบางทีอาจจะมีเวลาที่จะทําอาหารอาจจะสักครึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยนะคะลุงอีกหนึ่งเรื่องสําหรับออ่ คนทั่วไปคนสมัยนี้หรือว่าอาจจะเป็นเด็กๆลุงเดี๋ยวนี้เขาชอบเล่นมือถือเนาะเล่นโทรศัพท์มือถืออลองอ่านหนังสือบ้างให้มันมากกว่าการเล่นโทรศัพท์มือถือหรือว่าเล่นโทรศัพท์มือถือให้มันน้อยลงนะลุงเอาเวลาไปอ่านหนังสือบ้างอันนี้ก็เป็นหนึ่งในวิธี s ล o w play เหมือนกันอันนี้อันนี้อันนี้เป็นเป็นเป็นกุศลบายของลุงเลยค่ะคือ คือลูกชายเนี่ยเขาจะเล่นมือพอสมควรค่ะุณก็จะบอกว่าอ่าวเฮ้ยเดี๋ยวจะไปซื้อของในตลาดหน่อยไปด้วยกันไหมไปไหมคะเขาไปนะครับเพราะว่ามันก็หนึ่งคือเขาอยากจะช่วยเหลือเราอยู่แล้วะนะครับขณะเดียวกันเออุบายของเราก็าคือให้เขาระจัดการเล่นมือถือซะหน่อยะนะครับบางทีก็ให้เขาบอกว่าเออขับรถให้พ่อหน่อยสิพี่เกศขับวันนี้ เนี่ยครัก็ให้เขาขับรถค่ะคือถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะมีหลายอย่างที่สามารถช่วยลูกได้ใช่ไหมคะให้ลูกใช้ชีวิตช้าลงห่างมือถือมากขึ้นนะคะถูกต้องครับทําอาหารทานเองอย่างนี้รุงทําทานเองอยู่แล้วใช่ไหมคะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ที่จะให้เขามาเป็นลูกมือเราเนี่ยนะคะก็มาช่วยกันทําก็จะทําให้อช่วยล้างผักหน่อยช่วยหั่นนี่นั่นหน่อยเขาก็จะช่วยได้ทุกครั้งนะครับ มันสโลว์ไรท์ได้ง่ายๆเลยเห็นไหมคะคุณผู้ฟังในช่วงเบรกแรกเรามาพูดคุยคุณผู้ฟังเข้าใจก่อนว่าเราจะใช้ชีวิตให้ช้าลงได้อย่างไรบ้างในสังคมที่มันเร่งรีบแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะลงแล้วกลับมาต่อกับช่วงที่สองกันค่ะ ไมาเต็มที่เส้นทางจะมีนิยายเส้นทางนี้มันเป็นเส้นทางสายเก่าเก่าเก่าแตนน่มีความหมายเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางนิยายไม่มีวันตายไม่รันก็คือฉันนั้นเพียงจะขอเธอ ออกเดินทาง เดินทางไปด้วยกัน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 เปิดบริการตั้งแต่8โมงเช้าถึงบ3โมงจนถึงสุขโทรศู5 4์3 0 4 3หรือที่ www lotus rmutt ac th ศูนย์ผลิตและบริ ก, รการวิชาการผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีศูนย์ ร, นนเเนรับผลิตยาสมุนไพรนในรูปแบบแคปซูลชนิดผงพร้อมชงลูกประครบพิมเสนน้ำ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 จิตวิทยากับครูยุย้ยกลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการจิตวิทยากับครูยุ้ยกันต่อค่ะวันนี้คุณผู้ฟังเราพูดถึงการใช้ชีวิตแบบสโลป์ไลฟ์นะคะซึ่งทุกวันนี้คนก็กําลังนิยมใช่ไหมคะลุงครับสโลวงเลยครับแล้วคราวนี้เราจะใช้ชีวิตสโลปไลฟ์อย่างไรให้มันมีความสุขนะคะลุงอันแรกเลยคือมันต้องดูกันว่าความความต้องการของเราอยู่แค่ไหนค่ะ สำหรับลุงคิดอย่างนี้นะครับเพราะนั้นถ้าบมกว่าเราสามารถที่จะไม่เร่งรีบกับเรื่องบางเรื่องได้แล้วก็ไปเพิ่มเติมในสิ่งที่สร้างความสุขให้เราได้ค่ะอย่างเช่นลุงเป็นคนชอบทำกับข้าวอย่างเงี้ยค่ะลุงก็จะมีความสุขกับการค่อยๆประดิษฐ์ประดอยทำไปถ้าไม่ต้องรีบเร่ง น, นะ อ่าลุงถ้าลุงถ้าลุงชอบทํากับข้าวในขณะสมมุติว่าทีเป็นลูกลุงลุงสโลว์ไลฟของลุงไปไม่ค่อยรีบมีความสุกนดิมลำในขณะที่ทีหิวทีหิวอ่าแต่ทีหิวนั่นก็อาจจะต้องมีอาหารจานด่วนให้เร็วนิดหนึงเห็นไหมคะมันมันสามารถใช้ชีวิตด้วยกันได้อเอาอันนี้ไปทานก่อนเอานี่ไปทานก่อนเดี๋ยวทําอันนี้ไปใช่ใช่ใช่เราจะเราจะมีอาหารอะไรที่เผื่อเผื่อเขาจะหิวหิวก่อน เอาไว้ทันนิดนึงก่อนค่ะแล้วเราก็ค่อยๆทาไปทําไปไม่พออย่างอย่างที่นี่ลุงทําคือหลังจากนั้นจะเอาแต่ว่าทีเป็นคนชอบถ่ายรูปเอาที่ถ่ายรูป ก, ก่อนไหมล่ะถ่ายรูปนะ <c oughs> อาหารนสะียที่เก็บถ่ายเก็บไว้ถ่ายรูปที่ทําอาหารน่ะค่ะคือนะครับวันนั้นค่ะเขาก็จะได้มาช่วยเราด้วยในเรื่องของการทํางานบ้างลุงบางทีทุกวันเนี้ยเราทํางานแล้วก็จริงจังนะคะ เครียดมาก โ, โฟกัสทุกอย่างในชีวิตเลยนะคะจริงๆมันก็ควรจะรสโลไลท์ยังไงดีครับเราสโลไลท์ได้นะครับคือถ้าแปลว่าเราจัดวางความสำคัญของงานค่ะอโอเคงานนี้เร่งด่ดวนก็ทำก่อนขณะดเดียวกันงานไหนที่ไม่เร่งด่วนแล้วก็ยังมีเวลาเราก็ค่อยๆทำไป ค, ค่อยหาข้อมูลค่อยๆไป ศึกษาแต่ในที่สุดต้องเสร็จตรงตามกำหนดเวลาค<ะ>่ะนะครับเพราะนั้นมันก็จะทำให้เราไม่ต้องรีบเร่งมากมายขณะเดียวกันและการทำงานในต้องบอกไปถึงหัวหน้า ง, งานด้วยว่าถ้าเขาไม่ได้เร่งเรามากน ะ, ะเราก็จะสะโรไลไรได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวนี้เขามีเป็นผลวิจัยนะคะว่าเอางานกลับไปทำบ้านบ่อยเนี่ย ไม่ดีอ <c oughs> เป็นโอ้กลหนึ่งแล้วก็ชีวิตก็ย่ำแย่เหมือนกันนะคะมันคือมันไปเปลี่ยนบางเวลาที่อยู่บ้านเลยครับค่ะบางทีการบริหารจัดการเวลาดีๆก็ทำให้ชีวิตเราช้าลงมีความสุขมากขึ้นได้ได้ครับถูกต้องเลยค่ะก็ถ้ายังไงวิธีการหาเวลาไปพักผ่อนไปท่องเที่ยวก็เป็นหนึ่งในวิธีสโลว์ไลฟ์ได้เหมือนกันใช่ไหมคะใช่ครับคือ ในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยขอให้เราได้มีโอกาสได้ผ่อนคลายอ่ะครับคุณจะดูหนังฟังเพลงจะไปเที่ยวต่างจังหวัดจะไปน้ําตกออกกาลังกายลุงไปออกกําลังกายที่ที่ไหนไปออกกําลังกายต้องทีสายออกกําลังกายใช่แล้วนะคะก็สโลว์ไรฟ์ได้อย่างง่ายๆเหมือนกันนะคะเริ่มต้นเริ่มต้นจากสิ่งที่เราพูดคุยกันเลยค่ะลุงเคี่ยวอาหารช้าลง อ่านหนังสือหรือว่าออกไปรดน้าต้นไม้แทนการเล่นโทรศัพท์มือถือเออถูกต้องนะครับหรือว่าแม้กระทั่งแม้กระทั่งพูดคุยกับคนในครอบครัวซึ่งเดี๋ยวนี้มันน้อยลงนะลุงว่าค่ะก็ไปพูดคุยไปถามสารทุกทุกดิบบ้างนะคะลุงบางทีใช่ครับเล่นกระสุนน้ำเนอะเล่นกระหมากกรแมวก็ก็ช่วยได้เหมือนกหมดเลยเนี่ยหละคือมันทําให้ชีวิตเราเนี่ยไม่ไม่โลดโผลไม่ไม่ตื่นเต้น มันทำให้เรารู้สึกว่าซบอบลงมาค่อยๆทำไปแล้วความสุขมันจะเกิดเกิดมันปิดติอ่ะไม่รู้จะแปลว่าอะไระ น, ะะนะคะนะครับมันปิดติมันรู้สึก สบายใจดีใจชื่นใจอะไรสักอย่างนลยก็อีกหนึ่งอย่างก็อยากให้ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะเราเกิดในยุค 4.0 ปัจจุบันแบบนี้ดูในเรื่องของธรรมชาติเราก็รู้แล้วว่าเขาก่อมันเป็นฝุ่นเป็นควันมลพิษใช่ครับนะคะมันก็มีผลกระทบต่อร่างกายของเราแล้วในเรื่องของการลดใช้ถุงพลาสติกการลดใช้ถุงพลาสติกโฟใส่อาหารใช่อาจจะเป็นกล่องไปซื้อมาใส่เองอย่างเงี้ยนะคะ รปิดคอมพิวเตอร์ปิดหน้าจอเวลาที่ไม่ได้ใช้ใช่ใช่นะครับช่วยกันเซฟสิ่งต่างๆมันก็ช่วยโลคด้วยแล้วก็ช่วยให้เราดูดีขึ้นด้วยนะคะเข้าวัดถือศีลสะโลไดไหมอันนี้ก็อันนี้ก็ถือว่าสะโลไดนะครีแต่นี่ยใชมแต่ว่าต้องไปด้วยใจที่ที่อยากจะไปนะค่ะ ไม่ใช่ไปแล้วก็เข้าไปนั่งฟังคลาเทศแล้วก็นั่งคุยจนสองคนแล้วก็บนว่าถึงหรือวิจารณ์คนใดคนหนึ่งใช่ครับค่ะก็อยากให้ไปเพราะว่าอยากจะไปฝึกสติไปหลีกหนีความวุ่นวายอะไรอย่างเงี้ยนะคะใช้ได้อยู่ที่ก็เคยไปมาทีที่รู้สึกว่ า, ม, ามันมันหลายอย่างสำหรับวัตถุประสงค์ที่เข้าไปที่อาจจะรู้สึกว่าชีวิตทีมัน เ, เร่งรีบ ที่มีเวลาคือที่ไว้แรกๆสิ่งที่ได้ก็คือมันฝึกความอดทนอรู้สึกว่ามัน ม, มันต้องอยู่ในระเบียบดยนะ้วยเนาะใช่เราอดทนได้เราตื่นเช้าได้มันได้อยู่กับอยู่กับตัวเองอะค่ะลุงแต่ออที่ไม่รู้ว่าที่อาจจะไม่ได้ลึกซึ้งเหมือนคนที่เขาไปปฏิบัติธรรมไปถือศีล ม, มองโลกอะไรแบบนั้นเราอาจจะยังไม่ได้ถึงแต่รู้สึกว่ามันก็มันก็ได้หยุดคิดในหลายๆเรื่องราวในชีวิตได้มีเวลาคิด มันทําให้เราอยู่กับตัวเองมากขึ้นค่ะเห็นไหมเพราะว่ามีหลากหลายวิธีเลยนะคะถ้าฟังเราทั้งสองคนก็เลยไม่ได้แปลกใจว่าทําไมคนสมัยนี้เขาถึงสโลปรไร้กันมากขึ้นนะคะแล้วก็ยังไงก็ปลูกต้นไม้ก็ดีนะคะลุงยิ่งบ้านอยู่ในกรุงเทพอย่างเงี้ยค่ะต้นไม้เลี้ยงสัตว์อะไรเงี้ยนะครับแต่ก็ปลูกก็ต้องรดน้ํามาดูแลเขา นีครับนี่คือสิ่งที่จะทําให้เรามีชีวิตอีกรูปแบบหนึ่งค่ะแล้วก็บางทีก็ช่วงเออช่วงปลายนะคะเขาไม่เรียกว่าอะไรอย่าช่วงครึ่งปีหลังในช่วงของปลายเดือนที่เจ็ดบางทีก็อาจจะเนี่ยเดือนที่เจ็ดแล้วนะคะยังไม่รู้จะทําอะไรดีหรือว่าจะทํายังไงให้มันมีความสุขก็ลองสโลว์ไลท์ดูนะคะคุณผู้ฟังสโลว์ไลท์วางแผนทําอะไรยอย่างนึงยงลยก็จะแล้วให้มันรู้สึกว่า มันมันมันสบายใจนะครับต้นไม้สักต้นหนึงแล้วลุงเนาะปลูกต้นไม้สักต้นนึงเช้าก็เดินไปรถเย็นก็เดินไปรถน้ําดูมันเจริญเติบโตเราจะได้เห็นผลผลิตของสิ่งที่เราทําด้วยใช่ลุงกําลังจะบอกตรงนี้ว่าพอเวลาเห็นเขาออกดอกออกผลมาเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามีความสุขมากเลยค่ะลุงให้กําลังใจสําหรับคนที่อยู่ในชีวิตสังคมวุ่นวายในกรุงเทพมหานครแบบนี้หน่อยค่ะ โเคคยังต้องสู้กันต่อไปนะต้องมาจนกับต้องมาชนกับกับสิ่งแวดล้อมมาชนกับความเร่งรีบเนี่ยนะครับเราเราเป็นตัวกำหนดนะครับจริงๆแล้วว่าเราจะหยุดมันไหมเราจะช้าลงไหมถ้าบอกว่าคุณยังมองไม่เห็นควาว่า slow life มันมีความสำคัญเนี่ยนะครับก็ลองดูนะครับลองดูสักวันหนึ่งลองลองตื่นเช้าขึ้นอีกนิดนึง ลองออกไปเดินสูตรอากาศข้างนอกดูซิมันจะรู้สึกดีขึ้นหรือเปล่าค่ะนะครับกับการที่เราจะต้องอยู่ใ น, นาภาวะที่เร่งรีบเรคร่งเครียดตลอดเวลาและอีกหน่อยเนี่ยเราจะเป็นโรคต่างๆมากมายนะครับ็้ากฝากนคุนผู้ฟังเอาไว้นะครับเริ่มต้นจากตัวเราก่อนนะคะคุณผู้ฟังง่ายๆทำะอะไรก็ได้มีวินัยในตัวเอง คืออยากจะ ร, รักษ<ะ>าวินัยในตัวเองให้ได้นะคะแค่นั้นทีวิตคุณก็จะช้าลงแล้วก็ อ, อาจจะมีความสุขมากขึ้นในช่วงของครึ่งปีหลังแบบนี้ก็ได้นะคะเอามาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะก็ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามฟังรายการของเรานะคะพบกับเราได้ใหม่ในทุกๆวันศุกร์ค่ะ4ี่นากาสาินาทีถึง5้านาฬิกานะคะดิฉันทีรวรีย ง, งมีค่ะลุงดีนทงจูชัยครับผมลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ